ข้อความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธิญาณได้นำเสนออธิษฐานบา ร, รมีมาตามลำดับวันนี้ก็ใกลจะนำเรื่องของพระเนมิราชในเนมิราชฉดกในหมานิบาศฉดกที่เราเรียกว่าพระเจ้าสิบชาตินะเป็นประชาติที่ท่านบอกว่าทรงเจริญอธิษฐานบบารมี แต่ถ้าเราดูเนื้อหาสาระของคำอธิษฐานบา ร, รมีในในมิราชาดกแล้วก็จะเห็นชัดเจนนะฮะว่ามันเป็นผลคือหมายความว่าอบผลที่ทรงหนักแน่นมั่นคงอยู่ในทานในศีลที่ทรงกระทำำําบําเพ็ญนะมาเป็นรูปของอธิษฐานคือหมายความว่ามุ่งมั่นมุ่งมาดปรารถนาที่จะให้เป็นอย่างนั้นที่จะเป็นอย่างนี้ ก็เป็นตำนานที่เล่าเล่าแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะเพราะว่าวันเวลาเนี่ยมันมากแท้เกินเป็นการเล่าถึงปฐมเหตุตั้งแต่ตอนต้นๆมาบำเพ็ญบา ร, รมีของพระเจ้าวิ เ, วเทรัตที่ชื่อวมคมขเทวะเนี่ยรเริ่มจา บ, บาลูรุร ก, กันตั้งคือพูดปีมันเป็นหมื่นๆปีเลยนานมาก แล้วเราเอามาประเด็นที่ที่ก็อยากให้ดูเป็นตัวอย่างสักสองตอนนั้นเองเนะคือเมื่อท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยชื่อเนมิเนมิเนมันเสร็จแล้วมันหมุนกลับมาอีกรอบหนึ่งมายความบกคนที่เป็นปฐมวงศเป็นต้นปฐมวงนม เ, วเนี่ยมฆะเทวะเนี่ยก็ย้อนกลับมาหลังจากสวยสุขอยู่ในเทวโลกหรือภูมิโลกนานแล้วก็กลับมาเกิดในสายสกุลของพระองค์ ก็ตอนนี้ก็ชื่อว่าเนมิโพธิสัตว์ก็เป็นยุคสมัยที่บำเพ็ญบารมีค่อนข้างแก่กล้าแล้วนะเพราะว่าทรงบริจาคทานรักษาโบสถศีลตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ค่อนข้างเอาจิงเอาจังจนถึงกับเชิญชวนชักชวนประชาชนเนี่ย ใ, ให้ให้ทานให้รักษาศีล ร่วมกับพระองค์อันนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งนะฮะที่สังคมปัจจุบันถ้าเรามองในท้องถิ่นบางแห่งโดยเฉพาะในแวดวงทางวิชาการเนะ น, นี่ยมักจะพูดจาโจมตีพวกที่มีการเรียร์ตีกสาธารณกุศลทั้งหลายนะฮะก็จะเห็นว่านี่มั น, นมันเป็นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเข้ามาชวนเราทำความดีถ้าเราไม่ทำก็ ไม่ควรจะไปด่าว่าเขาคือหมายความว่าถ้าเราไม่ทําดีก็อย่าอย่าไปทําชั่วนะฮะเพราะด่าเขานี่เป็นคําหยาบนั้นก็เป็นการกระทำความชั่วตอนนั้นท่านจึงแสดงเรื่องการให้ทานเอาไว้ที่จริงพระเจ้าแสดงเองนะฮะและภาษาริบุตรแสดงก็ข้อความเหมือนกันโดยสรุปว่าบุคคลให้ทานด้วยตนเองแต่ว่าไม่ชักชวนบุคคลอื่นให้ใ ห, ให้ทาน คนเหล่านั้นก็จะสมบูรณ์ในภูมสมบัติในชาติที่ตนเกิดแต่ว่าจะขาดแคลนบริวารเพราะไม่มีใครที่ทําบุญร่วมกันมาคือว่าคนที่เกิดร่วมกันจะสุบรถ ก, กตามในแง่ของสังสารวัฏแล้วเนี่ยต้นบอกว่ามันเกิดขึ้นจากภูเพกตะปุญญาตาหรือว่าภูเพกาะตะบาปรกรรมต่างๆเนี่ยบาปรกรรมเที่เราทำในการก่อนหรือบุญที่เราไว้ในการก่อน ต บ, บุญเขเรียกว่าเสมอกันหมายความศรัทธาเสมอการศีลเสมอกั น, กนจาระเสมอการปัญญาเสมอกันพวกนี้ก็จะเกิดมาใกล้เคียงกันใกล้ชิดกันก็นในฐานะอะไรก็ตามสรุปไปอยู่ในวงศาคณะเพื่อนฝูงจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะแต่ว่าแกเวลาแกทำบุญแกทำบุญคนเดียวเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้มันไม่มีคนที่ทำบุญร่วมกันมานี่ไม่มี ถ้าไมแก่ขาดแคลนบริวารแต่นี่คนเรามันเป็นสัตว์สังคมเพื่อจะต้องมีคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ไม่มีใครที่เคยทำบุญร่วมกันมาเนี่ยโอกาสที่จะหาคนจริงใจกับเราเนี่ยค่อนข้างยากบางคนจึงพบตัวเองว่าไม่มีเพื่อนที่ซื่อสัตย์สุจริตจริงๆเลยสักคนจะมีแต่เพื่อนที่หลอกลวงไปตอ น, นเด็ก บุคคลประเภทที่สองนั้นให้ทานโดยตัวเองด้วยและชักชวนบุคคลอื่นด้วยตรงนี้ทรงแสดงผลอ น, นิสงส์หลังตายเลยนะหลังจะตายไปแล้วบอกว่าจะสมบูรณ์ด้วยภพกสมบัติและบริวารสมบัติในชาติที่ตนเกิดแล้วที่จริงท่นานใช้ับว่าในชาติที่ตนเกิดแล้วและเกิดแล้วคือหมายความมาหลายๆภพหลายๆชาตินะ ถ้าบุนร่วมกันมาแล้วก็เกิดเป็นญาติเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงกันหลายหลายชาติคนบางพวกไม่ให้ทานในตนเองไม่ชักชวนบุคคลอื่นพวกนี้ก็ยากจนขัดสนนานาถาในขณะเดียวกันก็ไม่มีพวกปู่เพื่อนฝูงที่รู้ใจคนอีกพวกหนึ่งนั้นก็เก่งแต่ชวนคนอื่นชวนคนอื่นให้ทานอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นและสุดผลสุดท้ายตัวเองไม่ได้ให้อะ ก็จะสมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติแต่ว่าจะขาดแคลนพว ก, กสมบัติตรงนี้มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าคนเรามีพวกมากแต่ว่าไม่มีอะไรจะเลี้ยงดูเพื่อนเนี่ยมันก็ลําบากแ ล, แล้วก็อาจจะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินมันก็มีปัญหาในใ น, ในชาติปัจจุบันตอนนั้นตรงนี้ก็เป็นการกระทําที่ถูกต้องของพระเจ้าพระเนมิราชเนี่ยนะคร และในการต่อมาคนเหล่านี้ยซึ่งทำบุญให้ทานรักษาศีลตามตามท่านเนี่ยก็ทำให้คนเหล่านั้นตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติเป็นนันมากในผู้ชาติต่างๆตามการจำแนกของบุญที่แต่ละคนได้กระทำเอาไว้เนี่ยท่านบอกว่าโปรดให้สร้างศาลาทานห้าแห่งคือริมประตูพระนคร สี่แห่งตามกลางพระนครหนึ่งแห่งแล้วก็ให้มาทานด้วยความเป็นผู้เมียตยาใสในทานพระจชทานทรัพย์วันละหนึ่งแสนที่สารทานแต่ละแห่งนะฮะก็สรุปว่าห้าแสนคือคือตัวเลขเนี่ยบางทีก็ขวางฝังเอาไว้นะครับเพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วถ้าหากว่าพระราชาเอาทรัพย์ไปทุ่มกับศาสนามากขนาดนั้นนะ มันก็มีปัญหาหรือแม้แต่แจกจ่ายแก่ประชาชนเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะถ้าว่าแจกจ่ายแก่ประชาชนสมมติเรามีโรงทานอยู่ในส่วนต่างๆของกรุงเทพเนี่ยแล้วมีคนไม่ทํางานเยอะก็คอยไปรับทานดับโรงทานแล้วก็สบายคือบางทีในมันก็ตัวเลขอาจจะมากไปหน่อยก็ฟังไว้นะฮะแต่ว่าอย่าไปติดใจในตัวเลขให้มาก คือว่าประเด็นสำคัญว่าท่านทาทานด้วยตนเองแล้วก็ชวนบุคคลอื่นให้ทานตามไปด้วยและในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนประชาชนแล้วก็ชี้ทางแห่งสวรรค์ในขณะเดียวกันท่านใช้คำดีนะท่านบอกว่าคุก ค, ค้าไม่กลัวนรกด้วย คนที่พู้ปัจจุบันก็มักโยมตีพระบ่กพระนี่เอาสวรรค์มาล่ออนรกมาขู่มันไม่ใช่ขู่ไม่ใช่ล่ออะไรเลยนะมันเป็นความจริงที่ท่านผู้รู้เห็นเป็นพระหันท่านแสดงไว้เรานํามาเล่าให้ฟังต่นนั้นเองเราไม่เคยไปก็อาจจะเคยไปนะแต่เราลึกชาติไม่ได้ก็แสดงตามที่ท่านแสดงเอาไว้ ประเด็นสําคัญในเรื่องเหล่านี้ก็กก็ก็น่าจะมองนะครเพราะว่าเรื่องเนพิราที่มันว่าเรื่องสวรรคร์เยอะยคือคนเราถ้าเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เชื่อกดแห่งกรรมเป็นเรื่องใหญ่นะเชื่อกดแห่งกรรมกดแห่งกรรมมันเป็นความรู้ระดับจุตูปปายะจุตูปปตาตญาณของพระพุทธเจ้าแต่ว่าบางแห่งก็เรียกว่ากรรมะวิปากยาน คือปรีชาญาณอย่างรู้ถึงกรรมแล้วก็ผลของกรรมมันเป็นความรู้ระดับทศพลญาณ น, นะเป็นความรู้ที่เป็นพระญาณของพระพุทธเจ้าคือมีพระญาณสิบข้อด้วยกันเราก็คงจะเชื่อเอาดีกว่าไม่เชื่อและในขณะเดียวกันก็เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ก็คือเป็นความรู้ระดับปุเพนาวาสารตาิญาณ แล้การเห็นเนี่ยมันเห็นในทิพยจักษุเห็นว่าคุณสมบัติมันเราไม่มีเลยไม่มีเลยสักอย่างหนึ่งอะทิพยจักษุก็ไม่มีปุเพในวาสารติยานก็ไม่มีจุดูปปาติยานก็ไม่มีกรรมวิ ป, ปากยานก็ไม่มีมันก็คล้ายๆกับเขาพูดถึงเชื่อบใบรัดต่างๆที่เขาดูด้วยกล้องจุลทัศน์เราก็ปฏิเสธว่ามันไม่มีถามว่าเคยเห็นกล้องจุลทรรศไหมก็ไม่เคยเห็น ถ้าไม่เคเห็นแล้วก็จบเลยไม่ต้องพูดเรื่องดูนะฮะทีนี้ปัญหาสําคัญว่าคนที่บอกว่าเขาเห็นเนี่ยเขาไม่ได้ดูด้วยตาเนื้อแต่เขาดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ตรงนี้ก็เหมือนกานนะรนรกสวรรค์เนี่ยท่านเห็นด้วยทิพยจักษุท่านรู้ด้วยภูมิเาวาสารติยานแล้วการความแตกต่างของคนของสัตว์ทั้งหลายในโลกที่มันแตกต่างกันเนี่ยท่านรู้ด้วย อยูตัปปาระยานหรือว่ากรร ม, มวิปากยานแต่เราก็ไม่มีทั้งสองอย่างเห็นไหมตรงนี้ที่จริงมันเชื่อไว้แล้วก็ปลอดภัยอย่างพระนวากอาศที่บวชที่วัดเนี่ยอาจมามีหน้าที่สอนเรื่องโลกธรรมะกับชีวิตตูวเรื่องธรรมะกับชีวิต ก็แล้วแต่แล้วแต่รุ่นไหนนะเราจะพูดยังไงก็ยักษย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในแวดวงตรงนั้นพอมาถึงเรื่องกรรมเนี่ยมันต้องฝากให้ท่านพูดให้ท่านตั้งข้อสังเกตนะนั่นท่านนั่งพยักหน้าหลายๆรูปหน่อยคือเห็นด้วยก็อบอกว่าเนี่ยอย่างที่เราพูดมันเผื่เนีวเอาไว้เนี่ยบอกว่าเราพยายามมีจุดยืนในที่การการะทำความดี ทีนี้ถ้าทําความดีไปแล้วนะฮะพ้บุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเราก็เป็นคนดีในปัจจุบันนะทีนี้ถ้าผลบุญพ้นบาปมีนรกสวรรค์มีผลบุญเนี่ยมันจะนําเราไปสู่สวรรค์ก็ทําให้มีความสุขในสวรรค์มาก็ได้ทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าและชาติต่อๆไปด้วยนะทีนี้ถ้าเราทําความชั่ว สมมติฐานเดิมคือบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีแต่เราก็เดือดร้อนในปัจจุบันนะทีนี้ถ้าผลบุญบน บ, บาปมีนรกสวรรค์มีผลบาปมันก็จะนำเราไปสู่นรกพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่านวงเหนียวไปสู่นรกดังนั้นคนฉลาดมันก็ต้องจับจุดอยู่ที่การกระทำความดี รถบันจะมีหรือไม่มีไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามีเราก็เชื่อว่ามีคือว่าท่าแบบนักปราชญ์สมัยพุทธกาลจริงๆแล้วคนที่มีบารมีไม่ใช่ธรรมดานะฮะในการเรามาท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระหันเนี่ยท่านจะรู้กำลังของท่านการไปรเสด็จยืนยันอะไรถ้าท่านสัมผัสได้จริงๆเนี่ยท่านก็รับรองไปเลยแต่เรื่องบางเรื่องมันนอกวิสัยที่เราจะรู้ได้นะ ใล้ๆกับคุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยไม่ต้องเอาคุณปู่คุณย่าหรอกคุณแม่คุณพ่อของเราเนี่ยพ่อแม่กับเราจริงหรือไม่ก็ไม่รู้อะเราก็เชื่อเอาเท่านั้นเองแต่มันจะเป็นเหตุให้เราเป็นคนดีเพราะว่าพอเชื่อว่าท่านเป็นพ่อแม่ก็เคารพนับถือในฐานะเป็นพ่อแม่แมปูย่ย่าตายายก็เกี่ยวกับพ่อแม่เราก็เคารพนับถือไปหมดเลยกย็กลายเป็นคนที่มีวงศาญาติ มีคนดูแลโอปุ่มคุ้มครองปกป้องรักษาพิบาลพวกคนที่ตายไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ยก็ได้พากันสเสริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดาวดึงในดาวดึงเขาพูดถึงว่านารกเนี่ยมันสัตว์หายไปเยอะไม่มีสัตว์ไปเกิด ก็พูดเฉพาะที่ที่เมืองท่านนะนะฮะแต่ว่าที่อื่นมันก็มีอีกนั่นแหละก็พวกเทวดาชั้นดาวดึงพอประชุมกันที่เทวสภาก็มาประรักสรรเสริญพระเจ้าเนมิราชในฐานะว่าเป็นอาจารย์คือผู้สอนธรรมะคล้ายกับมหากษัต ร, ริย์ยุคสุโขทัยนะรยเราจะเห็นว่าก็สอนธรรมะกราสรดอนแล้วก็ แสดงเึ่งสำนึกคุณว่าพวกเขาทั้งหลายที่สเสวยสุขในทิพย์ิมาณ ต, ต่างๆเนี่ยก็เพราะอาศัยอาจารย์คือพระเจ้าเนมิราชที่ได้ชี้แนะอบรมสั่งสอนให้ก็เรียกว่าความสุขเหล่านี้ยคนที่ระดับพุทธญาณตรนเดงจะกำหนดได้นะว่ามันมีความสลับซับซ้อนอย่างไรดีๆอย่างไง มราชนก็สรรเสริญไปเรื่อยจนชื่อเสียงเกตรติคุณพระเจ้าเนบิราาก็เด่นดังนะดังทั้งโลกมนุษย์แล้วก็ดังทั้งโลกสวรรค์ต่อมาท่านก็มีความคิดมีความประสงค์ที่จะปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปเพราะงั้นในฐานะที่ท่านเป็นบัณฑิตเนี่ย มีพระประสงค์ด้วยด้วยกุศลเป็นราชาที่ทรมานขวายสตรวยพ่ายแพ้ด้วยธรรมานุภาพนะฮะเรียกเดชานุภาพบริจาคทานแก่ประชาชนทั้งปวงเมื่อนั้นบุคคลผู้ฉลาดก็เกิดขึ้นในโลกความมังเกิดของท่านเหล่านั้นก็น่าอัศจรรย์ พระเจ้าเมเิร่าก็รงบำเพ็ญทานอยู่จนถึงจุดหนึ่งก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าทานเนี่ยกับพรหมจันทร์อย่างไหนจะมีอานิสงส์มากกว่ากันอันนี้อย่าลืมนะเป็นโลกยุคยุค ก, ก่อนพุทธกาลจุ ก, ก่อนพุทธกาลพระพุทธเจ้ายัางไม่เกิดขึ้นในโลกที่จริงพรหมจันทร์เนี่ยแปลว่าการประพฤติประเสริฐหรือการประพฤติอย่างพรหม มันก็การกระทาอะไรก็ตามที่สามารถดลดละ ก, กิเลสลงไปได้เนี่ยทั้งก็เรียกว่าพรหมจรรย์ด้วยกันเช่นในพรหมจรรย์กถาในมงครสูตรเนี่ยจะแสดงไว้ถึงสิบระดับเริ่มจากทานไปนะฮะเริ่มจากทานไปแล้วก็ไปรุ่ยไปนี่ขึ้นไปรุ่ยเป็นอริยมรรคเขาเรียกมกรรคมจรรย์แล้วจนถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่าศาสนาพรหมจรรย์ คือหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาตามกลุ่มธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้กลุ่มนั้นทําอย่างนั้นกลุ่มนั้นทําอย่างนั้นกลุ่มนั้นทําอย่างนั้นแล้วเราปฏิบัติประยางนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นศาสนาพรทธจันทร์แต่ก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นพรทธจันทร์ยุค ก, ก่อนยุค ก, ก่อนพุทธกาลเพราะงั้นก็ไม่พูดลึกซึ้งทลายหรอกไม่พูดลึกซึ้งไปมากจนถึงกับเป็น อริยมรรคเป็นอะไรอริยมรรคยังไม่ปรากฏนะฮะก็ต่อมาพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ทรงสมาทา น, นโบสตุตสีในวันโบสถแล้วก็เรื่องไอราจปูสีตาพรต่างๆก็บันทมอยู่บนพระยิพระไอพระแท่นก็ขลับพอตื่นบันทมในปัจจิมยามก็ทรงนั่งสมาธิเลย ทุกขึ้นนั่งสมาธิเจริญสมาธิแล้วก็เกิดความคิดว่าเราให้ทานไม่มีประมาณไ่ชุมชนแล้วก็รักษาศีพลพระานิสงฆ์แห่งทานบริจาคหรือแห่งพรหมจรรย์นเนี่ยอะไรมันมีผลมากกว่ากันทรงดำริแล้วก็ตัดศิลด้วยลำพังพรงเองไม่ได้ก็อบอกว่าจากความคิดของพระองค์เนี่ยก็ทำให้รับรู้ถึงเทศกะเวราช แล้วก็เสด็จมาเสร็จมาก็มาชี้แจงมาธิบายคาถาแนวๆตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นฉาดกเรื่องค่อนข้างยาวสพรนั้นพวกคาถาจะเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็น้อยกว่าในเรื่องเวสันดรฉาดกกท้าสกัเทวราชก็ทรงทราบดําริีของพระเจ้านี้ไม่ไก็ปรารถนาที่จะให ทรงทราบถึงความจริงในผลของทานกับผลของศีลผลของพรหมจรรย์ในอะไรมากกว่าก็ไดอันตรธานจาเทวโลกก็มาปรากฏอยู่ในสถานที่นั้นแล้วก็พระเจ้านเนเมราพอทราบว่าใครเป็นใครแล้วนะฮะในความรู้สึกของท่านก็รู้สึกเป็นปกติธรรมดา คือพบเทวดาก็รู้สึกว่าปกติธรรมดาของท่านเ ท, ะทะ้าตักษะเทวราชก็เมื่อต้องการจะแสดงว่าพระองค์ทรงทราบวิบากแห่งพรหมจันทร์จึงสัตว์พยากรณ์แก่บรมกษัตริย์ผู้ยังหาทราบไม่ว่าบุคคลย่อมบังเกิดในขัต ย, ตยสกุลนะด้วยพรหมจันทร์ขนาดกลางบุคคลบังเกิดใน สวรรค์ในสุกตินะฮะเป็นเทพเจ้าบังเกิดในสุกติเพระพรหมจันทรย์ชั้นกลางบังเกิดในสกุลกษัตริ์เนี่ยพระพรหมจันทรย์ชั้นตำ่ำแล้วก็บังเกิดในพรหมโลกเนี่ยพระพรหมจันทร์ชั้นสูงแต่อย่าลืมนะฮะอั น, นี้คือพูดยุค ก, ก่อนพุทธกาลเพราะในความหมายของท่านจริงๆเนี่ยความหมายพรหมจันทร์จริงๆก็ก็ไม่ได้เหมือนกับที่แสดงไว้ในพระพุทธศาสนาทั้งหมดแต่ก็อยู่นั่นแหละ อยู่ในกลุ่มพรมอจรย์สิบประการนั่นแหละเพียงแต่ว่าธรรมปฏิบัติไม่ถึงกันลึกซึ้งมากเท่าไรท่านบอกว่าพรมอจารย์เหล่านี้ส่วนมากแล้วก็เป็นลัชิของนักบวช น, นอกาศาสนาเช่นว่าศีลรักษาศีลระดับที่งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์เขาเรียก ง, งดเว้นจากเมถุนเนี่ยมันก็ถือว่า เป็นพรหมจรรย์ชั้นต่ำแล้วคนเหล่านี้ก็สามารถบังเกิดในคติยศกูลได้โดยการประพฤติพรหมจรรย์ระดับนี้คืองดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์พวกเนี้ยมันก็เมธุนวิรัตเนี่ยหมายความว่าตอนนั้นต้องรักษาบโบสดสีนศะีแปดแล้วก็บางทีท่านเรียกว่าการมาสังวรคือสรวมในกามบางทีก็อะไรละ ถ้าสามีเนี่ยเขาเรียกว่าสรธารสันโดษคือยินดีในพัญญาตัวเองถ้าผู้ชายเขาเรียกว่าปฏิวัติไม่ใช่ถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าปฏิวัติคือพักดีในสามีแต่และอย่างเนี่ยแต่และอย่างนั้นก็เป็นมคาแห่งการเกิดในสกุลที่ดีในละดับที่สูงได้ด้วยกันทั้งนั้นเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคืออตามาเคยทำเรื่องวิมานวัตถุคือย่อพระไตรปิดกในวิมานวัตถุใ น, นกุตกานิกายนะฮะหลายตอน เราสังเกตดูว่าคนที่บังเกิดบนสวรรค์วิมานโพเทีบทิดาทีรพโมพกกาลานะไปพบมาอะไรต่ออะเนี่ยบุญกุศลไม่สูงหรอกเป็นระดับสามีที่ดีพัญญาที่ดีลูกที่ดีรักษาศีลห้าให้ทานอะไรต่อเนี่ยแถวแเนี่ยก็เรียกว่าธรรมะระดับศีลธรรมจัญญาไม่ใช่พูดถึงธรรมะระดับสูงอะไรเห็นไหมว่าฮินาพรหมจันทร์เนี่ยคือขนาดเบตุนนวิรัต คืองดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์โดยกุศลโดยความตั้งใจนะฮะโดยความตั้งใจที่จะงดเว้นแล้วการได้อุปจารชานคือการเจริญสมาธิสมาธิมันก็มีจะเรียกเต็มที่ก็สามระดับนะฮะคือคณิกะสมาธิเป็นสมาธิแต่ละขณะอุปจารสมาธิเนี่ยถึงระดับอุปจารสมาธิเนี่ยก็ถือว่าปรมจันท์ชั้นกลางก็เป็นเอเดท่านบังเกิดเป็นเทพเจ้าบนทงสวรรค์ได้ นี่ก็เป็นคํากล่าวของทัส ก, กะเป็นการเล่าจากประสบการณ์ของตัวท่านเองนะท่านพบพระเทพบุตรเทติดาเหล่านั้นก็สมมูรณศึกษาทําบุญอะไรมาจึงเกิดในสถานที่นี้คล้ายๆกับอะไรละ่ะเราไปในเรือนจําเราก็ถามว่าทาความผิดอะไรมาจึงมาติดคุกมาอยู่ในที่นี้อะไรนี่ก็มีลักษณะอย่างงั้นแหะคือไปเจอเข้าก็สอบถามกันแล้วก็ถามเรื่องที่ไปที่มาไม่ว่าเราจะ ทำงานดในตำแหน่งอะไรก็ตามนะเขถามมาจบอะไรมาได้เรียนอะไรมาได้ปิญญาอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องถามธรรมดาเพราะตัวนั้นคือเหตุที่ให้เขามีอยู่เขาได้สัมผัสผลในปัจจุบันทีนี้ถ้าหากว่าจเจริญไปจนถึงระดับที่เรียกว่าเข้าถึงสมาบัติคือได้รูปฌานนะรูปฌานนะ่ตั้งตั้งแต่รูปฌานแรกไปเลยนะฮะตั้งแต่ข้อแรกไป ก็จะบังเกิดในพรหมโลกเลยเพราะงั้นพวกนี้ต้องเข้าใจนะว่าศีลห้าก็ดีศีลบวสกดีศีลแปดก็ ด, กดีหรือว่ารูปประชานในรูปประชานก็ดีมีอยู่ก่อนพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นในโลกในรลพุทธเจ้าก็ผ่านการศึกษาในเรื่องเหล่านี้มาแต่ว่าพอมาถึงพุทธเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงนะฮะมีการปรับปรุงวิธีการาต่างๆก็ตัดต่อวิธีบางวิธีมันก็รุงรังไปแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว ก่อนพุทธสมัยนานไกลทีเดียวต้องฟังทั้งหลายแต่รมประโฏิยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี